พอเอาความรู้สึกเข้าไปจับเนี่ยมันจะน่าเบื่อหลายเรื่องแปบ๊บเดียวมันน่าชอบใจแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็น่าเบือ่อให้เอาปัญญาเข้ามานำนำนาจิตเนี่ยให้รู้แล้วเข้าใจฝึกฝึกหนูฝึกคิดฝึกฝึกใช้ปัญญาบ่อยๆฝึกใช้ปัญญาถ้าใช้ความรู้สึกเนี่ยมันจะมันจะได้แค่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วมันยากาศมันคีดเด้เบื่อ <c oughs> ทุกวันนี้เป็นกันเยอะหมดโ ด, เดยเฉพาะเราขี้เบื เสงอะไรเงี้ยเลยบางฟังคําพูดอย่างนี้แล้วที่เราไม่ชอบไงพูดอยู่นันน่นแหละเบื่อกับแฟนอะไรจรงเราก็จะแสดงออกในข้อเห็นเราไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้แต่ก็ชอบแสดงเราก็แสดงการไม่พอใจขี้ทีนี้การการการเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเราเราใช้ความรู้เข้าไปจับเราเห็นพฤติกรรม เขาอย่างนั้นจริงแต่เรารู้และเข้าใจแต่ไม่แสดงความขี้เบื่อออกมาเองขจัดจความในใจออกแล้วยอมรับในสิ่งที่เป็นต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้แก้ได้แค่วันสองวันแต่มันถ้ามีปัญญาถึงจริงจริงมันแก้ได้เนี่ยถ้ามองอย่างมันเข้าใจได้นะบางครั้งหนูเห็นอะไรมัน จ, จําเจซ้ำซากหนูก็เบื่อมันเข้าใจ บถามมาจริงๆมันก็น่าเบื่อทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่ามันควรจะเบื่อด้วยปัญญามากกว่าที่นี่หนูใช้ความความไม่พอใจไปเบื่อมันไอ้ความไม่พอใจตรงเนี้ยมันกลายเป็นภาษาพากจริงๆก็เรียกว่าตันหาก็ได้คือมันจะกลายเป็นว่าไม่อยากเข็นอย่างนี้อยากให้มันพ้นๆไปไอ้ความเนี่ยสภาพแบบเนี้ยสิ่งแวดล้อมแบบนี้บุคคลอย่างเนี้ย ความรู้สึกแบบนี้เบื่ออยากให้มันหมดหมดไปอยากให้ความรู้สึกมันดีๆอยากให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นแล้วเวลาก็ทําสิ่งที่ดีเราก็อยากให้เขาทําอย่างนั้นให้มันเสมอต้นเสมอปลายลักษณะแบบนี้เห็นไหมมันล็อกหมดเลยมันล็อกหมดเลยหนึ่งต้องการสองถ้าสิ่งดีๆที่ชอบก็อยากให้มันถาวรอยากให้มันแข็งแรงอยากให้มันมั่นคงถ้าสิ่งที่ไม่ดีเราอยากจะพ้นอยากจะหนีเนี่ยไอความรู้สึกแบบต้องต้อง ต้องอย่ายอยู่กับความรู้สึกแบบนี้อันนี้คือความรู้สึกล้วนๆให้อยู่กับความรู้ให้อยู่กับความจริงเข้าใจความจริงเป็นแค่ไหอยางไงแล้วก็ให้วางท่าทีทางใจให้มีความสุขคือคือเมื่อเขาอยู่กับเราต้องให้เขามีความเชื่อเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย สร้างเหตุแห่งความสมบัตรู้ว่าทำอย่างนี้เป็นความดีนะแล้วเขาจะสุขใจทำเลยวิธีการเป็นเสน่ห์นะเป็นเสน่ห์มันไม่ใช่แค่หน้าตาแต่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าศิลปะภาษาภากหรือศิลปะถ้าทำโลโลก็เลยเป็นคนที่มีสุนทตรียะ สันติยาคือเป็นคนที่คนอยู่ด้วยแล้วก็มีความสุขเขามีความสุขจากการที่เราเรามีมีมีทัศนะต่อการมองต่อการคิดรู้สึกว่ามันมันเป็นเป็นมันรู้สึกว่าไม่ไปไม่ไปทำลายความรู้สึกให้เขาผิดหวังถ้าหนูตั้งความรู้สึกนี้ปุ๊บเนี่ยก็เริ่มสร้างเหตุต่ความสมหวังแล้วหนูจะสมหวัง <laughs> ให้ใครเวลาจะอยู่กับแม่อยู่ใครก็แล้วแต่คือเขาถือว่าเราจะให้แม่สมหวังจะไม่ให้แม่ผิดหวังคําว่าจะให้แม่สมหวังก็คือแม่มีความรู้สึกดีๆกับเราทั้งหมดเราก็บางครั้งถ้าหนูต้องย้อนนึกตอนที่หนูเล็กๆอยู่ในท้องแม่คลอดออกมาบางครั้งดึกๆหนูร้อง แม่อยากจะ น, นอนเนะี่ยแต่มีพี่เลี้ยงนี่แบบไม่รูร้องเราแล้วชิดนะจะไปพี่เ้ไม่เหลืออย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นห่วงรักไม่มีทางนี่ลุกขึ้นมาสละความสุขตัวเองที่เพื่อต้องการให้หนูมีมความสุขเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยความรู้สึกพ่ออะไรต้องการเมื่ออะไรเป็นความสมหวังเป็นความถูกของหนูยอม แม่ยอมสลับความสุขโดยอิงทิ้งถึงจะทุกข์ก็ยอมทนกับความทุกข์จะหนูปลอดภัยแล้วได้สวัสด์ได้ได้ได้ความสวัสดีแล้วได้ความสุขแล้วเนี่ยถึงัก่อนโอ้ยเนี่ยนะเป็กรณีแบบนี้เราเอาความรู้สึกแบบนี้มามาคิดไปแล้วก็สร้างเขียรตของความสมหวันให้กับคนที่เกี่ยวข้องแล้วหนูหวังอะไรจะสมจะสมหวั อันนี้มันเห็นความสมบเพราะหนูหนูเป็นคนหวังที่ยิ่งใหญ่นะหนูเป็นคนหวังที่ยิ่งใหญ่นะปรารถน า, าทีนี้ความปรารถนาที่ใหญ่เนะี่ยแต่ชีวิตมันจะต้องเจอมันจะต้องเกี่ยวข้องผู้คนอีกทีแต่จุดหมายที่ยิ่งใหญ่ที่ปรารถนาเราก็ไม่ไม่ละเลยเขาเรียกว่าทำกิจกรรมการงานก็ยิงอยู่ แต่ก็ไม่ละเลยคุณธรรมหรือธรรมะที่เราต้องการจะถึงคือทําให้มันควบคู่ไปทั้งสองอไม่ให้สิ้ไม่ให้สิ้ทีนี้บางทีด้วยการที่เรามีมาตรฐานแบบนี้บางทีเราไปวัดว่าคนที่เกี่ยวข้องต้องมีมาตรฐาน <c oughs> บางทีเรามันมันมันยากนะ แต่ถ้าพัฒนาปัญญาความรู้ความสามารถเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวเราเองก่อนเมกะกุศลกาลังบุญเรามีกําลังกําลังบุญกําลังกุศลกาลังปัญญามันสุกงอมเต็มที่เหมือนแก้ไขสิ่งเรื่องน้อแต่ถ้าถ้ากําลังบุญกําลังกุศลกาลังปัญญามันยังไม่ยังไม่แข็งแรงเต็มที่ อย่าว่าจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วเปลี่ยนตัวเองยังไม่ได้มันขนาดนั้ น, น, นต้องปิดแต่ผู้สนเนี่ยความดีโดยเฉพาะปัญญามันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้จริงๆมันมีพลังขนาดนี้นแต่ต้องต้องแข็งแรงต้องมันคงยากไหมยาก <laughs> ไม่ยา ก, ก <laughs> เออดีสาธุนะ <laughs>